ท่านรองคณะบุีคณะพุทธศาสตร์ท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตฝ่ายบัณฑิชิ้นทุกรูปรวมทั้งท่านผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีบัตรทุกรูป ขอจเจริญพรท่านผู้บริหานคณาจารย์เจ้าหน้าที่คณะพุธศาสตร์ฝ่ายคณิตศาสร์มีสิทธิและผู้สำเร็จการศึกษาฝ่ายคณิการ์ทุกท่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทย า, ย า, า ล, าลาั ย, า ย, ายได้ ้องเสริมการศึกษาในด้านพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็ ง, ขงจริงจังมาตั้งแต่เปิดการศึกษาและตระหนักว่าผู้เข้าศึกษาในด้านนี้จะเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนา จึงได้ส่งเสริมในทุกรูปแบบด้วยการจัด ก, การศึกษาในคณะพุทธศาสตร์อย่างจริงจังถือเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยว่าให้ทุกวิทยาเขตวิทยาลัยสอ โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการอย่างน้อยต้องเปิดการศึกษาในคณะพุทธศาสตร์และถ้าสาขาใดจะเปิดการเรียนการสอนในคณะนี้สภามาหาวิทยาลัยไฟเขียวให้ทุกครั้งไม่เคยปฏิเสธ และอนุโมธนาด้วยซ้ำไปจึงอยากให้ผู้บริหารคณาจาย์ในคณะนี้ได้ทราบว่าตั้นแต่สภาหมหาวิทยาลัยมาจนถึงผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญในการศึกษาของคณะนี้เป็นพิเศษ และไม่ว่าจะเป็นด้านพบประมาณหรืออะไรก็ตาง <c oughs> ก็จะได้รับการดูแล <c oughs> เช่นเรื่องทุนการศึกษา <c oughs> ขอแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ในสมัยรัชกาลที่สิบทุนเล่าเรียนหลวงที่พ่อให้มหาวิทยาลัย ส, งงสองแห่งเสมอมาจะลดการสนับสนุนคณะอื่นเหลือแต่คณะพุทธศาสตร์แต่ที่ได้รับอยู่แล้วปี เคยได้รับปีหนึ่งในคณะอื่นก็ยังคงได้ไปจนจบปีสีแต่พอรับใหม่ให้ทุนใหม่จะสังเกตได้ว่าปีนี้ยังไม่ได้มีการพระราชทานทุนที่ประชุมของคณะกรรมการทุนเล่าเรียนหลวงได้ถือตา ม, รรมพระบรมอภาราชฉมบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าจะทรงถวายการประถับเน้นด้านพุทธศาสนาเป็นหลักพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิบพระราชาทานทุนเล่าเรียนรวงเ น, เน้นให้คณะพุทธศาสนา พระสงฆ์เห็นว่าเป็นเสาหลักของการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์จึงขอให้ผู้บริหารธนาจารย์เจหนที่นิสิตได้ภาคภูมิใจและได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ทําหน้าที่ฉลองพระราชสรัทาตรงนี้ให้จงนี้ นี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าคณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรกคณะสำคัญของมหาวิทยาลัยครั้นเปิดการศึกษาในระดับปริญารรญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอย่างเดียวก็อาจจะไม่มีผู้มีความพร้อมเข้าศึกษา จึงให้เตรียมการด้วยการจัดการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรหลักสูตรหนึ่งปีทำหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมของผู้จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาต่อไปเหมือนกับที่คณะสังคมศาสตร์ตอนนี้มีนิสิต เยอะเพราะมันมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมเรียกว่าปวสปวสเรียนกันทั่วประเทศช่วยการบริหารกิจการคณะสงฆ์พระสันธาธิการเรียนในหลักสูตรนี้ก็ศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอกจบไปมากมายหลายรุ่นหลายรุ่น แต่คณะพศาสตร์เพิ่มมาเริ่มมีหลักสูตรประกาศเสียบัตรในปี2558ที่เปิดการศรึกษ า, ารุ่นแรกดีก็หวังใจว่าจะขยายการจัด ก, การศรึกษ า, าระดับประกาศเสียบัตรไปต่างจังหวัดมากขึ้น ในทั้งสองหลักสูตรทั้งหลักสูตรพระพุทธศาสนาและหลักสูตรวิปัสนาภาวนาได้ทราบว่าในต่างประเทศเสนใจมากไปที่สหรัฐอเมริกาก็ได้รับการทาบถาม จากวัดที่ใหญ่ที่สุดสร้างด้วยเงินไม่ต่ำกว่าสองพันล้านบาท น, นะสถานที่หรือรักที่เป็นที่พระราชสมภพของรัชกาลที่เก้าที่แมสซาชูเซตส์ที่มอสตันเป็นวัดที่ พระเดชพระคุณพระพรหมบฉชริยนไปสร้างมีชื่อว่าวัดนวมินทราราชุมทิศหรือนวมินทราราชุมทิศใหญ่โตมโหฬารขสร้างเสร็จท่านก็ประสงค์อยากจะให้ไปไปเปิดการศึกษาของมหาจุฬา ที่นั่นและสาขาก็คือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไปในต่างประเทศในอเมริกาโดยเฉพาะสาขาวิปัสนาภาวนาหรือวิปัสนาธุระเพราะฝรั่งต้องการศึกษาต้องการเรียนเมื่อ หลักสูตรวิปัสนามภาวนาในระดับปริญญาโทได้ผลิตบัณฑิตมหาบัณฑิตในด้านนี้ออกมาท่งออกไปสอนกรรมฐานทั่วโลกไม่เพียงพอไม่พอต่อความต้องการจึงเห็นว่าเปิดหลักสูตรในระดับ ปการเสียบัตรก็จะช่วยเตรียมวิปัสนาจารย์ได้มากขึ้นรุ่นแรกที่มารับประการเสบัตรก็มีบางท่านเป็นผู้บริหารทางานในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วแต่ประสงค์จะเป็นวิปัสนาจารย์ที่มีคุณภาพมากขึ้นก็มาเข้าเรียนเป็นที่หน้าอนุโมทนา แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ศึกษาต่อสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะด้านพระพุทธศาสนาหรือด้านวิปัสสนาภาวนาเพราะการศึกษาในระดับประการศีรษะอาจเรียกได้ว่าแม้จะเหมือนกับเป็นการศึกษาในระบบ มีหลักสูตรชัดเจนมีการประเมินผลชัดเจนแต่เป็นหลักสูตรระยะสั้นแค่หนึ่งปีจึงมีลักษณะเป็นการศึกษาสนองความสนใจส่วนบุคคลของผู้เรียนผู้เรียนสนใจด้านวิปัสสนามากกว่าจำนวนที่ศึกษาวิชาพิเนา สาเหตุนหนึ่งก็เนื่องมาจากว่าวิชาศาสนานั้นมีทางเลือกให้เรียนเยอะจะเรียนเป็นธรรมมาศึกษาก็ได้เรียนอภิธรรมก็ได้แต่กรรมฐานมีสถานที่เรียนจำกัดยิ่งจะสอนเป็นระบบอย่างนี้ก็มีแต่มหาวิทยาลัยสอง จึงเป็นสาขาที่น่าจะเปิดในทุกระดับตั้งแต่ประกาศเสียบัตรไปจนถึงปริญญาปริญญาโทตอนนี้เรามีปริญญาตรีก็น่าสนใจทำหลักสูตรสำหรับปริญญาตรีด้วยเมื่อท่านจบประกาศเสียบัตรในระดับนี้ต้องเรียนต่อ เพราะว่าเราเตรียมความพร้อมให้ท่านแล้วแม้ว่าท่านจะไม่ได้สนใจเรื่องของปริญญาแต่การจะไปเป็นวิปัสนาจารย์ในต่างประเทศหรือแม้แต่ในประเทศเราก็จําเป็นจะต้องมีความรู้ด้านปริยัติเพื่อประกอบการบัดย์ใหญ่และสอนให้ถูกต้อง และเป็นการทำรงรักษาวิปัสนาภาวนาที่เป็นไปตามหลักมหาสติปัฏฐานสี่หรือในมหาปรินิพานสูตรถ้าเราไม่ศึกษาพระพุทธศาสนาไม่เรียนมหาสติปัฏฐานสูตรหรือคัมภีร์วิสุทธิมัต ก็ไม่มีหลักประการว่าสิ่งที่เราจะไปสอนจากบรรยายเป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่ตามอันตโนมัติมีคำตลาวว่าตัวปริยัติที่มหาวิทยาลัยได้จัดเป็นพื้นฐานในวิชาพจนาก็ดีหรือแม้กระทั่งการบรรยายในวิปัสนาภาวนานี้ก็ดี เป็นประมาณคือเป็นหลักในการทำหลงรักษาพระพุทธศาสนาเหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่าเวลาที่พระพุทธศาสนาจากอันตรฐานศาสนาอันตรฐานไปจากพิภพนี้มันก็เริ่มจากปฏิเวทอันตรฐานก่อน ผู้บรรลุมรคนไม่มีจากนั้นก็ปฏิบัติอันตรธานไม่มีใครปฏิบัติตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลเจริญกินตปาวนาเป็นพระ ก, ก็มีแต่ข่าเหลือ น, น้อยห้อยหูไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ปฏิบัติอันตรธานไม่ว่าพระพุทธศาสนาจะเสื่อมสูญไปจากอินเดียหรือประเทศใดก็ตามก็จะเริ่มแบบนี้ก่อนแต่ตราบใดที่ยังมีการศึกษาเป็นปริยัตอยู่แม้ปฏิบัติปฏิเวทจะอันตรธานพระพุทธศาสนาก็ยังไม่อันตรธานจากดินแดนนั้น ถ้ายังมีการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอยู่ยังมีพระไตรปิฎกให้คนศึกษาอยู่โดยที่ถ้ายังมีการศึกษาปริยัติอยู่ตราบใดพระพุทธศาสนาก็จะไม่อนตรทานไปจากโลกนี้ตราบั้น และถ้ายังมีปริยัติอยู่โอกาสที่ปฏิบัติจะกลับมามันก็มีและเมื่อมีปฏิบัติที่ถูกต้องปาฏิเวทก็จะตามมาท่านเปรียบเหมือนการจารึกลายแทงขุมทรัพย์ลงในแผ่นศิลาเอาขุมทรัพย์ไปซ่อนไปฝังไว้ ดูเหมือนว่าคนรุ่นหลังๆไม่รู้ว่าบรรพบุรุษเอาขุมทรัพย์ไปซ่อนไปฝังที่ไหนเหมือนจากอันตรธ า, านไปแต่ท่านบอกว่าตราบใดที่ยังมีลายแทงจารึกอยู่ในแผ่นหินเป็นแผนที่ให้คนเดินตามหาขุมทรัพย์นั้น ถ้ายังมีลายแทงอยู่เป็นแผน่นีิาแม้เรายังจะไม่เห็นขุมทรัพย์เพราะมันซ่อนลีลับแต่ก็ไม่ชื่อว่าขุมทรัพย์อันตรฐานไปแล้วขุมทรัพย์นั้นคือมรรคผลนิพพานตราบใดที่ยังมีลายแทงคือปริยัติพระปฏิพราไตรปิฎกไม่ว่าในดินแดนใด จากนั้นก็ชื่อว่าพระพุทธศาสนาไม่อันตรทานไปจากดินแดนนั้นดังนั้ น, น, นการศึกษาพระไตรปิฎกการศึกษาพระพุทธศาสนาตามหลักพระไตรปิฎกจึงเป็นรากฐานปราการด่านสุดท้ายของพระพุทธศาสนา ตราบใด ย, ย, ย, ยังยังมีการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนาตามหลักพระไตรปิฎกตราบนั้นเท่ากับว่าพระพุทธศาสนายังคงอยู่คู่กับโลกท่านอธิบายว่าเรื่องของปริยัติไม่สามารถแยกจากการปฏิบัติเมื่ออาลาละดาบทุทธกกาดาบทสอนเรื่องสมาบัติ ให้กับสิทธันถะเรา ว, ว่าพระสิทธันถาตอนออกพรวนได้เรียนสมาบัติจากสองสำนักนี้การเรียนที่ว่านั้นเรียนด้วยปริยัติก่อนต้องฟังคำสอนกรรมฐานโดยเฉพาะสมาทานกรรมฐาน จากอ า, าราละาดาบทุทธกดาบบการจัดบรรยายกรรมฐานของอ า, าราละาดาบทุทธกดาบบให้ถูกต้องตามหลักการเป็นปริญญาประสบการณ์ของการปฏิบัติของผู้สอนก่อให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง แต่ก็ไม่อาจจะเลี่ยนการบรรยายได้การสอนที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสรุปว่ า, าศาสนกทิติยาปณ ะ, ะปริยติประมาณนักก็การศึกษาพระไตรปิฎกนั่นแหละเป็นหลักเป็นประมาณในการทำลงรักษาพระพุทธศาสนาด้วยเหตุนี้ พระมหาสาวกจึงรีบจัดสังฆทนานนำโดยพระมหากาสุปัต์ทันทีหลังจากพระพุทธเจ้าบาริีผพานร้อยกองพระไตรปิฎกหรือพระธรรมวินยัยนั้นในรูปแบบพระไตรปิฎกมาจนทุกวันนี้เมื่อมีพระไตรปิฎก ก็เป็นหลักประกันว่าพระพุทธศาสนา ย, ยังอยู่คู่กับโลกพระไตรปิฎกในยุคนั้นๆส่งผ่านจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นหนึ่งด้วยมุขปาฏิหารจาปากต่อปากเรียนจากปากของอาจารย์ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษอักษเรียนจากปากของอาจารย์แบบมุขปาฏิาร จนพระพุทธศาสนาหรือพระไตรปิฎกค่คอยๆร่อยรอไปจากอินเดียแต่ไปเฟื่องฟูอยู่ในศรีลังกาโดยเฉพาะพระไตรปิฎกภาษาบาลีดังที่เราก็ทราบกันดีว่าพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงพระหินทเถระนำพระพุทธศาสนาซึ่งรวมถึงพระไตรปิฎกเนี่ย ไปเผยแผ่ในลังกาอยู่ที่ลังกาจนถึงพศ430ถึงพศ450โดยประมาณเกิดสงครามละวางทั ม, มินกับสิงโคนทั ม, มินนับถือาศาสนาพระฮินดูสิงโคนชาสิงโคนนับถือาศาสนาพุทธ ทมินไล่ฆ่าชาวพุทธพระสององค์งเจ้าหลบไปอยู่ในถ้ำเกิดทุกพิขาพยอดข้าวมรณภาพไปเทลลูปสองรูปเพราะภัยสงคราบเสร็จสิ้นสงคราบพระไตรปิโกเกลืบหายไปจากศีลรษะพร้อมกับการมรณภาพของพระผู้สรงจำพระไตรปิดก อันเนือกมาจากใครสมพรทำให้พระเจ้าแผ่นินแห่งศีลังกาตระหนักว่าการที่พระไตรปิฎกถูกท่อจงจบไว้แล้วสื่อต่อกันโดยภูเขาปาถามีความเสี่ยงสูงจัาจะต้องบริหารความเสี่ยงของพระพุทธศาสนา มีความเสี่ยงที่พระพุทธาศาสนาจะสูญหายไปจากโลกเป็นวิกฤตเพราะว่าถ้าไม่มีผู้สรงจังพพบพระใิโดกพระปริยัติศาสนาขาดสูญเมื่อขาดรายแทงป่าติเวทก็ไม่มีขุมทรัพย์คือป่าติเวทก็หาไม่พบสูญไปจากโลกนี้ด้วย ดังนั้นพระเจ้าแผ่นดินจึงได้อาราธนาพระสงฆ์ที่ทรงจำพระไตรปิฎกซึ่งเหลือไม่มากในขณะนั้นบางรูปท่องได้เฉพาะวินัยปิฎกบางรูปได้เฉพาะอาภิธรรมปิฎกเอามาประชุมกันแล้วเมื่อมาประชุมกันแล้วให้พระพุธเจ้าสาธยายพระไตรปิฎก แล้วให้ผู้เป็นนักปราชญ์ช่วยกันจดจานจารึกลงในคัมภีร์ไบหลานเจิเป็นเหตุให้พระไตรปิฎกอยู่ในรูปของไบหลานเราจึงเรียกว่าเป็นเคด้านพระพุทธศาสนาเพราะพระไตรปิฎกที่อยู่ในสมองของพระเนะี่ยมันจับต้องไม่ได้ คนอื่นจะมาอ่านก็ไม่ได้แต่พอทำ K M คือ Knowledge Management ให้เป็นสาธารณะปัญญาในรูปใบหลังแม้จะผลิตไม่ได้เยอะแต่คนแต่ฉ บ, บับเดียวเนี่ยอ่านได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนทั่วไปสามารถเข้าถึงสาธารณชน จังถือว่าเป็นเมครั้งแรกในทางพุทธศาสนาก็ได้การจารึกในสีล้ำกาทำให้พระพุทธศาสนาไม่ต้องพบกับความเสี่ยงอีกต่อไปนี่เป็นการบริหารความเสี่ยงไปพร้อมๆกันและทำให้พุทธศาสนาอยู่มาจนบัด น, นี้เย ทั้นทึกที่ร่อเร่ร่อเร่ในพศออ400เศษหลังจากนั้นพระพุทธศาสนาซึ่งในรูปใบลานนี่ก็เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านไปที่พมา่ามาที่ประเทศไทยในรูปใบลานมาถึงประเทศไทยเราก็จะรึกลงในใบลานแต่เป็นอักษรของ เป็นพันไตรปิฎกอักษรของแต่อ่านว่านับูตสัสสากเหมือนกันอยู่ที่อินเดียก็เป็นอักษรเทวนาครีอ่านว่านับูตสัสสาเหมือนกันไปที่ภาคเหนือของไทยก็เป็นอักษรธํรล้านนาทำให้พระพุทธศาสนาโดยอาศัยพันไตรปิฎกเนี่ยมีหลักมีฐานมีหลักประกัน อยู่มาจนกระทั่งประเทศมหาอำนาจในยุโรปล่าอาณานิคมบายยึดประเทศในเอเชียซึ่งส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นเมืองขึ้นแม้แต่ศีลังกาก็ไม่เป็นเป็นเมืองขึ้นของประเทศล่าอาณานิคม จนถึงขนาดในสีหลังกานั้นขาดทนะสงที่จะให้การอุปสมบทคุลบุตเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาอยู่ในภาวะที่เสียงจะสูญสมณวง์เป็นอย่างยิ่งโดยทางโปรโตุเกสได้เข้ามา เผยแพย่ศาสนาคริสต์ริบหรอนพุทธศาสนาในสีลังกายึดหมดรอบรอบรอบรอเกาะลักกาเหลือแต่เมืองแคนดี้ซึ่งเป็นเมืองภูเขาเป็นประการด่านสุดท้ายที่พระพุทธศาสนาในลักกาจะดับลูบไปสามเนสรสนนักก่อปวดเป็นเณรมาจนอายุห0สปีเทศให้พระเจ้าแผ่นดิน ในเมืองแคนดี้ได้ฟังแต่ยังเป็นสัมมณีพระเจ้าไผนนี้ก็ถามว่าพระคุณเจ้าพระอาจารย์ทำไมไม่บวชพระเสียทีล่ะเป็นเองคู้มอยู่ได้สัมม ณ, ณีสระนกรก็บอกว่าหาพระสงฆ์ปัญจวัค์ให้ครบไม่ได้ในศีลกาไม่มีอุปชานังบวชให้ แล้วจะไปเอาที่ไหนมาล่ะมาบวชให้ท่านเดี๋ยวโยมจะ น, นิมนต์ให้ท่านก็บอกว่าต้องเอาพระสงฆ์ที่เสิร์บวชไปจากศีลังกาเอาที่อื่นมาเหมือนกับคนลสายแล้วพระ ส, สงฆ์จากศีรกาจากลังกาที่ไปเจริญลูกเรือนนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงศรีอยุธยา พ่อขุนรามคําแหงมหาราชตอนสถาพนากรุงสุขโขทยัยได้ไปนิพนธ์พระมหาพระเถพระมหาเถระจากนครศรีธรรมราชซึ่งไปปวดไปเรียนพระไตรปิฎกจากศรีลังกานั่งเรือไปแล้วมาปักหลักสอนอยู่ที่นครศรีธรรมราชพ่อขุนรามคําแหงมหาราชนิพนธ์มาตั้งคณะสงฆ์ที่กรุงสุขโขทยัย และคณะสงฆ์นั้นได้เจริญอยู่ในอายุทยาปัจจนปัจจุบันนี้วิธีบวชพิธีกัรใช้การสวดเหมือนกันใช้อุกาศเหมือนกันเพราะฉะนั้นการจะบวชต้องแบบเดียวกันเมื่ออุกาศ เหมือนการบวชเหมือนกันแบบนี้ซึ่งวิธีบวชแบบอุกาศเราได้มาจากลังกาบวชของมหานิกายทุกวันนี้ยังอยู่ที่ประเทศไทยแสดงว่าการบวชของเราแบบมหานิกายไม่ได้มีเฉพาะสุขโทขทัยก่อนสุขโขทัยเขาก็บวชกันอยู่ในลังกา และมันสูญหายไปจากหลังกามาเหลืออยู่ที่ตรงศรีอายุทยาพระเจ้าแผ่นดินจึงได้ส่งสทูดมานิมนมดอุปชาอาจารย์ผู้สวดและพระอันดับจากประเทศสยามคือกรุงสุขโขทยัยไปเริ่มฟื้นฟูสรรมณบุตคือไปบวชพระ ที่หลังกาเมื่อ260กว่าปีมาแล้วในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศคณะสงฆ์นี้นำโดยพระอุบาลีอยู่ที่วัดธรรมรามเดี๋ยวนี้ก็ยังมีวัด น, นี้อยู่ในพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันพร้อมกับพระรัตนบุรี พ ร, พ, รพระอริยพุพร้อมกับพระอริยบุธีและอื่นๆเป็นคณะสงฆ์อยาก ท, ท, ที่พร้อมจะให้การผสมบทใหม่และมีสัมภารีไปด้วยไปถึงสีลังกาก็ทำพิธีบวชสัมภเรีไทยก่อนให้เป็นพระสาธิตให้ดูว่าบวชกันอย่างนี้นะใช้อุกาศาอย่างนี้นะ ลางกาชอบใจเหมือนกับของลางกาเลยอุปสมบทกรรมที่เหมือนกันจึงได้เริ่มพอบวชเดนรไทยเป็นพระก็บวชสมเดชสารนกรเป็นรูปแรกเป็นพระที่อาวุโสที่สุดอยู่ต่อมาสารนกรได้เป็นพระสังฆราชรูปแรกและรูปสุดท้ายของสีลังกา ที่ว่ารูปแรกก็คือรูปแรกส่วนรูปสุดท้ายเพราะร่างกาก็ตกเป็นเบิกขึ้นไม่มีพระสังฆราชออกสถาบันกษรสัิย์ถูกยุคประเทศที่จะมีพระสังฆราชต้องมีสถาบันกษรสัิย์กษรสัิย์จึงจะสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเช่นประเทศไทยตอนนี้มีสมเด็จพระสังฆราช เพราะพระมหากษัตริย์ตามรมัฐบัตรูของเราก็เห็นอยู่ทรงสถาปนนาสมเด็จพระสังฆ ร, ราชส่วนประเทศที่ไม่มีสถาบันกษัตริย์ไม่มีพระสังฆราชอีกแล้วอย่างประเทศเราเราเรียกว่าประธานสงฆ์ประธานสงฆ์ก็คือประธานาธิบดีของพระในประเทศจีนก็มีประธานสงฆ์ เรียนแบบประธานาธิบดีของพระแต่ไม่ใช่พระสังฆราชในพม่า ก, ก็ไม่มีพระสังฆราชเพราะไม่มีสถาบันกษัตริย์เรามีแต่ว่าเทียบเท่าประธานมหาเถรสมาคมในพม่าทำหน้าที่ประธานสม ค, คือประธานาธิบดีของพระตาแเนกเทียบเท่าพระสัคฆราชของไทยแต่ไม่เรียกพระสังฆราช เหลือประเทศในอาเซียนอีกประเทศเดียวเท่านั้นที่มีพระสังฆราชอยู่ติดกับประเทศไทยเพราะมีสถาบันกษัตริย์คือประเทศกัมพูชามีพระมีกษัตริย์พระนาว่าีหามูดีหรือสีหามดีมีพระสังฆราชสองอค์มหาสุคันธทาทิปดี กับมหาสมีฐานทิบดีมหาสมาีฐาธิบดินี่ชื่อว่าเทพวงศ์เป็นพระสังฆราชฝ่ายมหานิกายมหาสุคันธาธิบดีบวกคลี่มามหาจุลาประชุมวิสาขาโลกทั้งสอ ง, ม, งมหาสุคันธาธิบดีบวกคลี่เป็นพระสังฆราชธรรมยุทธ วันหนึ่งฝ่ายรัฐบาลประสงค์จะให้มีนิกายเดียวก็ ย, ยกพระมหาสุเมธาทิบดีเทพบงคให้สูงขึ้นมีสมณศักดิ์สูงขึ้นจากสังฆราชาธรรมดาเป็นอักษรกมหาสังฆราชาทิบดีเทพหงค ไม่มีตำแหน่งเหลือสูงกว่านี้แล้วทั้งอักษรกษมหาพัน์แต่ฝ่ายธรรมยุทธ์ก็ไม่ยอมรับก็แยกกันมีสองเป็นอย่างนี้มาเป็นร้อยปีแล้วนั่นคือประเทศที่จะมีพระสังฆราชต้องมีพระราชา ในศีลังกาเมื่อสิ้นกษัตริย์ปัจจุบันนี้ก็มีแค่สังฆนายกสังฆนายกในศีลังกามีสามองค์ที่ถูกก็คือมีสี่องค์เรียกว่าอักรมหาอัรเรียกว่าสังฆมหานายก มหาไายกะก็คือสังฆมหาไายกะคือสังฆนายกไม่มีประธานสงฆ์เพราะว่ามีสี่แมีสามนิกายใหญ่ไปจากประเทศไทยเป็นนิกายใหญ่ที่สุดเรียกว่าสยามนิกายมีมหาไนายกาศสององค์ที่เป็นลูกศิษย์ของพระอุบาลีองค์หนึ่งเป็นอารัญยวาสี องดึงเป็นคาบาวาสีถือกุญแจพระท่าเคี่ยวแก้วทั้งสองค์เป็นสยาม น, นิไกคาบ า, าวาสีมีชื่อว่านิไกมละะะัลวัตต์ตอารันย า, าสีมีชื่อว่าอัสัคริยะทั้งสองอค์มารับดุษรีบันฑด็จจากมหาจุราทังคู่อัสัคริยะเพิ่งรับไปในปีนี้ เพราะฉะนั้นพระอุบาลีเนี่ยท่านไปฟื้นฟูสมนานะวงศ์แล้วท่านก็บรรภาพอยู่ที่ศรีลังกาิกไกที่พระอุบาลีไปฟื้นฟูเรียกว่าสยามิกไกเรียกชื่อเป็นทางการปัจจุบันในศรีลังกาว่าสยามโมบาลีมหานิกายชื่อประเทศไทยเป็นชื่อิกไกเรียกว่าสยาม บวกกับชื่ออุบาลีสยามโบปาลีมหานิกายนี่คือบทบาทของพระธรรมทูต ท, ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลแต่พระม่าในตอนหลังก็ไปเห็นว่าพวกสยามทิกายนี่คนวันนั้นสูงคนลังกายังมีวันนั้นอยู่กริยันกัะพรา์นี่มักจะบวชในสยามทิกายวันนั้นที่ต่ำลงมาจึงไปในบนพระจาก พาม า, มาฟื้นสมนวงของตัวเองมีสองนิกายด้วยกันคืออามระปุระนิกายกับรามวัญยนิกายและมีมหานายกาศอีกสององค์รวมกันแล้วมหานายกาศหรือสังธนายกระดับแนวหน้าของศีลกาศมีสี่รูป เรื่องที่พูดนี้ใครที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนาต้องรู้เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาทั่วโลกไปอยู่มหาจุฬ า, าก็ต้องรู้เพราะเราจัดวิสาขาบูชาโลก Who อ s w h ูใครเป็นใครจะต้อนรับระดับพมแดงหรือผมขาวพบเหลืองจะเรียกก็ต้องเรียกให้ถูกว่าเป็นพระสังฆราช เป็นปร ะ, ราษษประธานาุ่งส่ะนาธิบดีหรือสังขายากไม่ใช่อะไรและก็เหมาเป็นสังฆราชไปหมดมันเสียเสียฟองมหาจุลานะจึงเล่าให้ฟังว่ายังมีอะไรที่เราจะต้องเรียนอีกเยอะและไม่รู้อีกมากและเรียนที่ไหนก็ไม่ซึ้งเท่ากับเรียนมหาจุฬาต้นตจ้แท้ๆอยู่ที่นี่รู้ทั่วโลก ไปทั่วโลกเล่าต่อปรากฏว่าพระพุทธศาสนาเมื่อไปฟื้นฟูที่ศรหลังกาได้ไปเห็นพิธีอุปสมบทของมหานนยกาท่านนั่งเป็นประธานนะเป็นอุปชาในพิธีอุปสมบทของศรีลังกาในปัจจุบันใช้อุป ก, กาสระเหมือนกับของเรา แต่ที่จริงต้องพูดว่าอุ ก, กาสาสนั้นมาจากลักกาตั้งแต่ต้นพระอุบาลีเอาไปฟื้นฟูที่โนนไปเผยแผ่จนไม่ได้กลับประเทศไทยแต่ลูกที่เป็นรอเป็นผู้สวดได้กลับคือพระอริยมุดีกลับมาต่อมาได้เป็นสักฆรากที่กรุงศรีอายุทยา เป็นพระสังคราชและทำให้สมณสัตว์ของพระสังคราชในประเทศไทยปัจจุบัน ต, ต้องเท้าความถึงพระอริยบุรีก็คือสมเด็จพระอริยมงศ์สาคขะตาหานสืบทอดมาจากองค์นี้มาจนถึงราชเทวนาคของสมเด็จพระสังคราตวัดราชบพิตในปัจจุบัน พูดไปพูดมาเหมือนกับไม่เกี่ยวแต่ที่จริงอริยมุนีนั้นเป็นต้นตำรับของสมราดาสักว่าอาริยวงายายสามขัติญาแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระธรรมทูตในยุคนั้นประเทศไทยเราจึงให้ความสำคัญในยุคนั้นเนี่ยแก่การทําลงรักษาพระพุทธศาสนา ให้พ้นจากความเสียงอันเกิดจากพระใจไปดกสูญหายถ้าเกิดฝรั่งบังค่ามายึดลังกาไปจะเหลือพระใจไปดกตรงไหนถ้าอยู่ในคัมภี์ใบลานแล้วฝรั่งเผาไบลานไปหมดพระใจไปดกก็สูญไปจากโลกนี้ฝรั่งไม่ใช่ยึดแต่หลังกา ไปยึดพมา่าก็คืออังกฤษยึดพมา่าค่อยๆยึดในส่วนเอราวดีตอนใต้ครึ่งประเทศแบ่งพม่พมาเป็นพมา่าเหนือพมา่าใต้พมา่าใต้อังกฤษปกครองเหลือพมา่าเหนือมีเมืองหลวงอยู่ที่มัณฑะเลย์พระเจ้าบินดง ปกครองอยู่ที่มันเดเล่ครึ่งประเทศอังกฤษยึดอยู่แถวย่ากกุ้งมีการคุกคามต่อเนื่องพระเจ้าวินดมบอกว่าแล้วถ้าไหนอนาคตพม่าเสียเอกราชให้อังกฤษและอังกฤษนับถือศาสนาอื่นถ้าอังกฤษเกิดเผาพันไกรไปโดนพม่าไปอีก พร้อมๆกับไปเผาอยู่ที่สีลังกาซึ่งเป็นปลลานทางนั้นยึดประเทศไหนก็เผาไปเรื่อยปลายอริยติศาสนาก็จะสูญหายไปจากโลกนี้พระพุทธศาสนาขาดสันหลักกระดูกสันหลักก็จะอันตรธานไปอย่ากระ น, นั้นเลยจำจะป้องกันความเสี่ยง ไม่ให้พระพุทธศาสนาถูกเผาไม่ให้พระรไตรปิฎกอันตรธานไปอย่างโรคนี้จะต้องทำโดยวิธีที่เผาไม่ได้เจอนได้เริ่มโครงการจารึกพระรไตรปิฎกลงในหินอ่อนเจ็ดร้อยแผ่นเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ที่มันดลีทำเป็นซุปไม่ อ, อย่างดีเลยนะ ให้คนไปศึกษาไปอ่านเขาลงทุนจารึกพระไตรปิฎโโกลงในหินอ่อนเพื่ออะไรเพราะกลัวปริยัติศาสนาจากอันตรทานไปจากโลกนี้พระไตรปิฎกจะสูญหายตราบใดที่พระไตรปิฎกยังอยู่ในรูปหินอ่อนธาวมาคือพระเจ้าเป็นดงตายตาหลับ ว่าพระพุทธศาสนาไม่สูญหายไปจากโรคนี้พระเจ้าวินโดมีอายุอยู่ในช่วงรัชการที่สแต่พอถึงรชาชการที่หต้นรัชการที่หพศส 2, 000, 4, 000, องพสเอัน่รอดมนเดลเล ก, ก็กลายเป็นเบืองขึ้นของอังกฤษยึดบ่เลย พม่าเหนือก็กลายเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษไปพร้อมๆกับพม่าใต้ในยุค ข, ของพระเจ้าสีปองรัชากาลที่ห้าขึ้นครองราชในปีพศ2411ถัดมาอีก17ปีพม่าเป็นเมืองขึ้นของฟรังกฤษ ประเทศไทยก็ถูกคุกขังในด้านตะวันตกมีพมา่าไอ้ที่ติดกับพมา่ามีอังกฤษบีบเข้ามาไม่รู้ว่าเมื่ อ, อไรอังกฤษจะหาเหตุยึดเราเองเหมือนยึดพมา่าในตะวันออกมีฝรั่งเศสยึดเวียดนามไปเรียบร้อยแล้ว กำลังจะยึดลาวยึดขมรซึ่งเป็นของเราและถ้ายึดมาเรื่อยๆในที่สุดเราเสียเบืองพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรพระเจ้าแป่นดินราชการที่ห้พวงพระศาสนาและพระศาสนาคือปริยัตินั้นอยู่ในรูปใบลานเป็นท่าไรไปดกบาลีอักษรของ ทำอย่างไรที่จะไม่ให้พระไตรปิฎกถูกเผาลาาเรียกเป็นหน้ากรอกในพระว่าได้ทําเป็นพระไตรปิฎกฉบับหินอ่อนแต่หินอ่อนมันก็รวมอยู่ที่เดียวทุบมันก็หมดยากแบบนั้นเลยทําพระไตรปิฎกให้มีหลายฉบับกระจายไปทั่วโลก ตามเผาไม่ทันเพื่อบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้รัชการที่ห้าทรงให้นักปรากราชบัณิตคณะสงฆ์ในประเทศไทยปาริวัณพระไตรปิฎกจากอักษรของนมูตัสสัที่เขียนเป็นอักษรของให้เป็นอักษรไทยเป็นหนังสือกอไก่ขอไข่ของไทย จารึกพระใจไปดกในช่วงรัชาการที่หนึ่งมีการ พ, รพรมาราร่าเผากรกสีอุทยางพระใจไปดกสูญหายหมดราชการที่หนึ่งส่งให้รวบรวมพระใจไปดกตามโัวมเมืองเอามาจารย์จารึใรกใหม่ชำระใหม่เรียกว่าสังขยาาที่วัดมหาธาตุ ยุวราชรลังสริ์ใช้หอสมุดมหาจุฬาน่ะที่น่าตึกมหาธาตุเน่แหละเป็นที่สังขยานาจารึ้พระไตรปิฎกแต่จารึ้เป็นอักษรของแล้วเก็บไว้ที่หอบนเทียนรรมฉบับเขาเรียกว่าปิดท้องกันเลยแหละ แล้วโชคหลายที่หอบนเทียนทาไฟไหม้ไฟเกิดเผากันไม่รู้ยังไงหอบนเทียนทาดีว่ายังมีฉบับสำเนาอยู่เอามาคัดกันอีกเป็นพระไดรปิฎกสอนของคัดลอกใครอยากจะได้ผูกไหนก็ไปคัดเอามาแต่ต้นฉบับต้องอยู่ที่วัดพรแก้ว จะเรียนพระตไตรปิฎกในพุทธศาสนาสมัยน้นยากเกินแสนเข็นคัดกันทีละผูกสองผูกเอาไปตามวัดต่างๆ ต, ต้นฉบับอยู่ที่วัดพระแก้วแล้วก็เป็นอย่างนี้มาจนถึงสมัยรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าก็สมผวกว่าถ้าเกิดถูกเผาเข้าอีกจะทำไ้ แล้วถ้าเป็นศาสนาอื่นเข้ามาละลานเราเราจะทำยังไง ร, รัชการที่ห้าทรงผูงใหญ่แล้วก็เกิดเรื่องจริงๆในปี 2,436 ฝรั่งส่งเรือปืนมาอังฝรังเซสเนี่ยส่งเรือปืนเข้ามาที่แม่น้ำเจ้าพระยา ยิงป้อรผจญกลายเป็นจุนไปเอาเรือลบเรือเหล็กสามหลังมาจอดอยู่ที่ใกล้ๆพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพฯจอคอหอยประเทศไทยจะเสียเอกกราชให้ฝรั่งเศสเช่นเดียวกับอังกฤษใช้เรือปืนไปยึดพม่าตอนเหนือมาในปี28ทันมาอีก8ปีประเทศไทยก็ดุ 2,436 ประเทศไทยต้องแก้วิกฤตด้วยการเอาดินแด น, นฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงลาวกัมพูชา ย, ยกให้ฝรั่งเศสไปสละส่วนน้อยเพื่อรักษาเอกการได้แล้วจ่ายค่าปรับสงครามเป็นเหรียญทองเป็นเงินสเปนเป็นเงินสมล้านฝรั่งในสมัยโดน ฝรั่งเศสนี่เอาเรือเล็กๆเนี่ยนะบำบันทุกเหรียญเนี่ยนะจนเรือแปร่เลยนะคนไทยก็รุ่นให้มันล่มจะได้เป็นหุสามล้านสัต์เป็นเหรียญของสเปนเป็นเหรียญทองรัจากการที่สามไปค้าขายกับจีนได้งินมาเป็นพระคลังอยู่ในถุงแดงไม่ยอมใช้ ในสมัยราชการที่สามร่ำรวยมากคนก็ถามราชการที่สามว่าจะเก็บเอาไว้ทำไมในถุงแดงเนี่ยราชการที่สามบอกเอาไว้ไถยบ้านไทยเมือง ไ, ไทยจะรู้บ้างว่าในสมัยราชการที่ห้าได้ไทยบ้านไทยเมืองจริงๆสามล้านศักเกือบประเทศไทยเกือบจะเป็นพม่าแล้ว ได้สามล้านฟรังก์กับยอเฟ้ลาวกับกัมพูชาไปอยู่กับฝรั่งเศสเราก็รอดมารอดมาโดยอาการหุดหวิดในปี2436รัชกาลที่ห้าสั่งพิมพ์พระรไรปิกในปีนั้นที่จริงอ่ะทำไว้ก่อนแล้วปริวัติจากอักษรของเป็นอักษรไทย แล้วก็ให้พิมพ์ในปี 2,436 ทำไม้ 2,436 ไม่ใช่เพราะฝรั่งเศสมันปุกแต่นับจากปีครองราชมา 2,411 มาถึง 2,436 ยี่สิบห้าปีเราเรียกว่ารัชดาพิเศษครองราชครบยี่สิบห้าปีรัชกาลที่ห้า บริหารความเสี่ยงพระพุทธศาสนาโดยทำปริยัติคือพระใรยปีดกให้มีความมั่นคงไปทั่วโลกแทนที่จะคัดลอกจากคำพีม์ใบลานสั่งพิมพ์เข้าโรงพิมพ์เลยเป็นครั้งแรกในโลกไม่เคยมีพิมพ์เป็นรูปเรียกหนังสือราชการที่หสั่งพิมพ์ 1,000 พชุดใบลานี่ลอกได้ทีละบัตรและแผ่นละแผ่นประเทศไทยนี่ พิมพ์หนึ่งพันชุดในชุดนั้น่านไตรปิกมี39เก้าล่มและไม่เก็บไว้ในประเทศไทยอย่างเดียวส่งไปถวายทั่วโลกใครไปที่มหาวิทยาลัยโอตานิใครไปมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นเขาต้อนรับเรานะกับคณะมหาจุฬานะเปิดห้องเซฟอย่างดีติดแยร์อย่างดีเอาของมีค่าที่สุดมาโชว์เรา คณะมหาจุฬาเนี่ยไปได้เห็นเลยพระไตรปิฎกฉบับราชการที่ห้าที่ส่งไปในสมัยนั้นประเทศไทยไม่เหลือญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยแห่งนั้นเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ของเราพว ก, กกิมบอดเคยอยู่ที่หอสมุดวัดมหาธาตุนะสมัยผมเรียนที่ยังเห็นอยู่นะเดี๋ยวนี้เหลือแต่ฉบับไทยเอกสาร รัชกาลที่ห้าได้ทำคุดูประการยิ่งใหญ่แก่พระไตรปิฎกชนิดที่เรียกว่าไล่เผาไม่ทันพิมพ์ทีละพันชุดหนึ่งเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วสองพันสี่ร้อยสามสิบกงไปทั่วโลกเลยและเมื่อส่งไปทั่วโลกมั่นคงเ้วยหลักพระพุทธศาสนารัชกาลที่ห้าบอก มันก็มั่นคงอยู่แต่ถ้าไม่มีคนเรียนมีประโยชน์อะไรต้องให้เรียนพระไตรปิฎกฉบับที่เป็นรูปเล่มหนังสือแล้วใครจะเรียนปี 2,436 พิมพ์พระไตรปิฎกหาพระเรียนไม่ได้ยางอ่านใบลานอักษรของเงียบๆกันอยู่เลยยังล้าสมัยอยู่แปลอักรคาถากันอยู่เรียนประโยชน์ก้าไม่อ่านพระไตยปิฎกท่าน รูกวันนี้ก็ยังไม่ได้เอาพระอ่านพระใจพี่ดงพวกปีหกเก้าอ่านแต่ตกถาเนี่ยพวกนี้รู้ดีนี่ก็รู้ดีราชการที่ห้าบอกอุษาทำ ม, มาพิมพ์เป็นพันๆชุดแล้วไม่มีใครเรียนอย่างนั้นเลยเปลี่ยนมหาทาตวิทยาลัยที่เรียนแต่บาลลีเอามาจาก ที่ย้ายการเรียนบาลีอักรคกถาตามสาราลายวัดพระแก้วมาอยู่วัดมหาธาตุตั้งชื่อว่ามหาธาตุวิไลในปี2431เปลี่ยนนามเป็นมหาจุฬาลุงกรณราชวิไลแล้วบอกเอาไว้ด้วยให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกที่พิมพ์มา1นึ0ันชุดเนี่ยเรียนกันที่มหาจุฬาเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูงคือศาสตร์สมัยใหม่ผู้ดคมศึกษาปรากฏหลวงพี่ทั้งหลายก็ยังเรียนบารีก็อยู่นะตามไม่ทันไม่เรียนพระใจบโดกไม่เรียนศาสตร์สมัยใหม่มีแต่ชื่อมหาจุฬาลงกรณราชวิหลายในปี2439วันที่13กันยายน2439ทรงวางศิลากอรมเลิศตึแดง สากีกาเสนานราชวิไลและมีพระราชบารมีว่าที่ตรงนี้จะตั้งเป็นมหาจุฬาลงกรณ์วิไลให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกฉบั บ, บ ท, ที่โลงได้พิมพ์ใหม่และวิชาชั้นสูงคืออุด ม, มศึกษารหรือศาสตร์สมัยใหม่แต่สร้างไม่เสร็จในสมัยรัชกาลของโลกมาเสร็จในสมัยรัชกาลที่หตึงแดงก็เลยกลายเป็นหอสมุทรพระนครไป ราชบปดิฐานของราชการที่5เนี่ยไปผุดอยู่ที่วัดบวรพระอนุชาขอ ง, งพระองค์มาผดวัลเป็นภิกษุได้เป็นสมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสในสมัยราชการที่6แต่สมัยราชการที่ห้ก่อนรักษาการพระสังฆราชหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจัดการศึกษาพระไตรปดกและวิชาชั้นสูงอยู่ที่วัวดบวรนิเวศวิหาร ในชื่อว่ามหามรกุฏิราชทุกที่ไรถ้าถามว่ามหามกุฏราชที่ไรเริ่มในปีไหนก็ปีที่พิมพ์พระไตรปิฎกเสร็จ น, น่สิ2436และสมเด็จมมหาสมณเาจ้ารับนโยบายให้เรียนพระไตรปิฎกและวิชาอันเป็นของคนไทยและต่างประเทศวิชาชั้นสูงเรียนกันแล้วปรากฏว่า ลำบากพอสมขวรลำบากยังไรตามไม่ทันผู้เรียนตามไม่ทันผู้สอนตามไม่ทันเปิดมหาบัณฑิอยู่ได้แปปีก็ปิดเกมมหาปกณฑก็จบไปอีกมหาจุฬาเท็อยากไม่ได้สอนพระใจรปโดกและสารสมัยใหม่ จนมหาประกวดมาเริ่มใหม่ในปี 2,488 มหาเจุรามาเริ่มใหม่ในปี 2,490 นับจาก 2,490 มาถึงปีนี้70ปีอุดมศึกษาเมื่อวานพูดต่อจากตอนนี้ที่หอประชุมใหญ่แต่วันนี้เป็นภาคแรกไม่ได้พูดก็เลยเอามาต่อกันเนอะจบตรงนี้ใครจะฟังจากนี้ไปเปิดเทปเมืม่อวาน เจสิบปีปุโรหิศึกษาเมื่อวานพูดแล้วเจ็ดสิบปีเรามีอะไรบ้างเป็นปูรภาคปัญญาเจ็ดสิบปีมหาจุฬาพูดไปจนภาเคเกือบปวดเพลินเมื่อวานวันนี้พูดภาคแรกถ้ามีงานอื่นก็จะมีพูดก่อนนั้นอีกนะเอาเป็นว่าที่จริงมาตั้งแต่อยุธยาเนะไล่มาเรื่องพระใจปุโรหิจบแล้วภาคแรกเพื่อให้ความมั่จัยแก่ท่านทั้งหลายว่า เลือกพระพุทธศาสนามีความสําคัญอย่างไรเป็นหัวใจของพุทธของการทํารงรักษาศาสนาอย่างไรเรียนพุทธศาสนาเรียนกรรมาฐานและเหตุใดพระเจ้าอยู่หัวชการที่สิบจึงส่งให้ความสําคัญแก่การศึกษาด้านพระพุทธศาสนาในคณะพุทธศาสตร์และมีนโยบายของกองทุนเล่าเรียนหลวงตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป จะให้ทุนการศึกษาแกมหาจุฬาเน้นคณะพุทธศาสตร์เป็นหลักนี่เพราะฉะนั้นยิ่งมีน้อยยิ่งไม่มีคนมาแยกทุนนั่นนะเล ก, เ ล, กเล็กเข้าเรียนปริญญาตรีทั้งวิปสัสนาทั้งอะไรต่างๆเนี่ยจะได้ทุนแต่โยบจะบวชก่อนนะพระสงส์ถวายพระสบเป็นหลักจึง อนุโมทนาแล้วขอฝ่ายผู้บริหารให้เห็นความสาคัญและพัฒ น, นาหลักสูตรของเราต่อไปไม่ว่าจะเป็นวิปัสนาหรืออะไรก็ตามให้เป็นปริญญาตรีปริญญาโทเปิดได้ยิ่งดีและต่างประเทศกันกำลังต้องการนอกเหนือจากวิชาวิสนาซึ่งเรามีหลักสูตรจนถึงปริญญาเอกอยู่แล้วจึงบองอนาคตต่อไปว่าสดใสมีช่องทางมีเส้นทางมากมาย แล้วยิ่งมหาจุลามีระบบสมรรถสั์นะต่อไปใครอยู่คณะพุทธศาสตร์น่าจะได้ดมได้ดีนะ <c oughs> ยาวหอมไม่ขอน <c oughs> เอาไม่เชื่อก็คอยดูผลประกาศกออกมามีไม่ใกล้ไมนไกลหรอก <c oughs> เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ขออนบมทนาทั้งฝ่ายผู้จัดการศึกษาคือคณะพุทธศ า, า, ศาสตร์ภาควิชาพุทธานาและผู้ผู้สอนผู้เรียนทั้งหลายขอทุกท่านทุกคน ได้น้อมนำเอาผดุขุสรบุญกุศลที่เกิดจากการสอนการเรียนธรรมทานเป็นให้ให้ความรู้เป็นธรรมทานและศึกษาพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกและปฏิบัติกรรมฐานเป็นบุญขุสลมหาศาลพร้อมใจกันตั้งกระยาณาจิตอธิษฐานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศอแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอนุลยเดชบรมนาถหม่ิมพิ เพื่อเพิ่มบารมีธรรมของพระองค์ท่านยิ่งยิ่งขึ้นไปในสัพพรายพมทุกประการอันดื้อบุญบุญศรทั้งดวงนี้จงเป็นปฏิพย์ย้อนสนองให้ทุกรูปทุกท่านจเจริญก่อการภัยบูญยิ่งขึ้นไปในรบทฐานเพ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ท่านที่สําเร็จการศึกษาได้มีอุตสาหะวิริยะในการศึกษาศึสูาขึ้นไปประสมความสําเร็จในการดำรงรักษาพุษธานา ปรารนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ให้พันสเปรดสมมโนรถุมาปราถนาทุก ป, ประการตลอดกาลละนานเถร